อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมารับอรุณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะ่ะก็มีเสนอท่านผู้ฟังทางบ้านรับฟังกันเป็นประจำทุกเช้าหลังจากที่เราเปิดสถานีแล้วนะคะตั้งแต่ตีห้าถึงตีห้าครึ่งคะ่ะก่อนที่จะมีข่าวหงมงเช้าของคุณชัยวัตรรัตนประตสิทธิ์ก็มาฟังธรรมะดีๆที่จะเป็นข้อคิดกันนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้า ว, วันเสาร์ สัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายนแล้วคะ่ะคือวันเสาร์ที่สิบสองพฤศจิกายน2554นะคะวันนี้เป็นวันแรมสองข้ามเดือน12คะ่ะก็คิดว่ า, าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านเดื่อมั่นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอยู่ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้สิ่งที่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและก็พี่น้องในจังหวัดอื่นๆอีก หลาย10บจังหวัดนะคะที่เป็น20่กว่าจังหวัดก็ยังต้องเผชิญกับเรื่องของอุทก ภ, ภัยคือน้ําท่วมกันอยู่แม้ว่าหลายจังหวัดนะคะเป็นที่น่ายินดีที่ว่าน้ําลดแล้วแล้วก็กําลังจะเริ่มต้นชีวิตกันใหม่ อ, อย่างที่เราทราบข่าวกันมานะคะแต่งร้ยก็ตามนี่สําหรับรายการธรรมารัปรุณในเช้าวันเสาร์นี้นะคะก็อยากจะขอเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านได้มากราบนมัสการ พระอาจารย์ไพบุญอภิบุญโญลูกศิษย์เอกของประเรศพระคุณหลวงพ่อดอรสะอาดทิโทภาโสหรือท่านพระคูณศิษย์ที่ภากรซึ่งท่านก็เป็นเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเหมือนเช่นเคยนะคะจะมานําทุกฟังนะคะมากราบนมัสการแล้วก็เรียนสนทนากับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุญโนในหัวข้อที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ ทำให้จิตใจเราดีขึ้นในขณะที่พี่น้องประชาชนชาวไทยเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีนนทบุรีอะไรต่างๆรวมทั้งสมุทรสาครด้วยก็มักตอนนี้เราก็ไม่เคยเผชิญเรื่องของอุทกภัยเช่นนี้ ดังนั้นก็รู้สึกว่าเราจะมีความทุกข์ใจกันอมากทีเดียวก็อยากจะนําท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบน้มักการและก็เรียนสนทนาหรือสากระชาธรรมะจักพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนกันเลยนะคะกราบน้มักการเจ้าขาพระาาอาจารย์เจ้าขาเชิญพรสาธุเจ้าค่ะอย่างที่โยมเกิด น, นะเจ้าค่ะว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนชาวไทยเราเป็นจํานวนโยมคิดว่าน่าจะเป็นล้านแล้วนะเจ้าค่ะที่ว่าจมอยู่ในกองทุกข์เรื่องของ กภัยซึ่งก็เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาลูกรามใหญ่โตขนาดนี้นะเจ้าคะ้ะเริ่มมาตั้งแต่ทางภาคเหนื อ, อไล่ลงมาจนกระทั่งถึงมาอยู่ที่ทางภาคกลางกรุงเทพมหาคนครและจังหวัดใกล้เคียงอยู่ในขนาดนี้ก็ทำให้เราเนี่ยบอกตรงๆแม้ว่าจะทำใจยังไงก็คงจะต้องทุกข์ใจนะเจ้าคะเพราะว่าบางหลายท่านก็ต้องอก อยู่ที่อื่นหลายท่านก็จะต้องเดินย่ำน้ำไปทำงานอะไรต่างๆนะเจ้าค่ะอยากกราบน้ำรสการขอความเมตตาพระอาจารย์ไตบูรณ์อภิปุโ น, โนได้สากระช้าหรือสนทนาธรรมะว่ า, าในขณะที่เราเผชิญปัญหาซึ่งเป็นเหมือนกองทุกข์หรือเป็นความทุกข์ของเราในขณะนี้เนื่องจากาเผชิญกับอุทกภัยน้ำท่วมนี้นะเจ้าค่ะเราพอจะมองเห็นธรรมะจากกองทุกข์หรือความทุกข์เหล่านี้ อย่างไรบ้างเจ้าค่ะเพื่อว่าจะได้สบายใจขึ้นเจ้าค่ะกลับน้ำมรดการแล้วก็นิมนต์เลยเจ้าค่ะเชิญพรก็ถ้าพูดถึงน้ําท่วมเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยในคําสอนของพระพุทธเจ้านะที่พูดถึงเรื่องน้ําก็มีอยู่หลายอย่างอย่างเช่นว่าบุคคลที่ถูกน้ําพัดพาไปได้เนี่ยก็คือบุคคลที่จะต้องไหลไปตามกิเลสราคะโทสามโมหะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เคยพูดถึงเรื่องน้ําในกรณีที่ว่าทางน้ําเข้าทางน้ําออก คือที่น้ํามันท่วมเนี่ยนะคุณเดินใจก็เพราะว่าน้ํามันออกเนี่ยน้ำที่มันไหลลงทะเลไปเนี่ยมันน้อยกว่าน้ําที่เข้ามาพระเจ้าเคยเปรียบเทียบบ่อบ่อหนึ่งนะบ่อนี้มีทางน้ําเข้าสีทางทางน้ําออกอยู่4ทางถ้าเผื่อว่าเราปิดทางทางน้ําออกทั้งหมดนะมีแต่น้ําเข้าไหลเข้าไหลเข้าเนี่ยบ่อนี้ก็จะเต็มไปด้วยน้ําจนกระทั่งเอ่อร่นออกมาแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราปิดทางน้ําเข้าเสียแล้วก็เปิดทางน้ําออกน้ำในบ่อนี้จะต้องถึงวันที่ หมดเหกิดแห้งไปเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันท่วมเนี่ยมันก็เป็นหลัก อ, อธรรมชาตินะที่ว่าน้ําออกนะมันต้องมากกว่าน้ําเข้ามันถึงจะไม่ท่วมถ้าน้ําเข้ามันมากกว่าน้ําออกมันก็ท่วมแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ามันท่วมอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นธรรมะอะไรยังไงบ้างอนะอันนี้ต้องถามท่านผู้ฟังรวมทั้ง อ, อที่คุณตนใจด้วยถ้าสมมติว่าบ้านที่เราอยู่บางหลังเนี่ยอาจจะน้าท่วมไปแล้วใช่ไหม อ, อ, อย่างนี้ไหมว่า น้ำที่มันท่วมอยู่ในบ้านเราเนี่ยสมมุติว่าอนาเขตของบ้านเราอาจจะสักเท่านี้ตารางวาเท่านี้ตารางเมตรนะอาจจะค น, คนอยู่ห้องแถวก็วัดดูห้องแถวตัวเองเท่าไหร่ใครบ้านมีบริเวณก็วัดดูว่ากี่ตารางเมตรนะแล้วก็ดูว่าปริมาณน้ําในที่มันท่วมอยู่ในบ้านเราเนี่ยบางคนอาจจะสูงระดับเขา่าสูงระดับเอวกันต่างๆนะมันมีสักกี่ประมาณาประมาณเท่าไหร่แล้วเราเอาคุถังเอาถังเนี่ยนะถังพลาสติกสักใบหนึ่งเนี่ยเราพยายามจะวิทย์น้ําออกไปถังใบหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีสัก 3ลิตรหลิตรก็แล้วแต่ขนาดของถังนะกายตัวใหญ่หน่อยอาจจะใช้ถังใบใหญ่หน่อยนะถ้าเอาเปรียบเทียบกับปริมาณน้ําที่อยู่ในถังนะที่เราวิทออกวิทออกเนี่ยแน่นอนว่าปริมาณน้ําที่อยู่ในถังเนี่ยน้อยกว่าปริมาณน้าที่ท่วมอยู่ในบ้านของเราเนาะทีนี้ถ้าเราเอา<ด>ปริมาณน<ด>้ําที่ท่วมของบ้านในบ้านเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับปริมาณน้ําที่ท่วมอยู่ทั้งทั่วทุกจังหวัดเนี่ยที่อยุธยาปฐุมธานีนนทบุรีในกรุงเทพบางส่วนเนี่ยท่วมอยู่ทั้งหมดเนี่ยเราจะพบว่าปริมาณน้ําที่มันท่วมอยูอ่ข้างนอกเนี่ มากกว่าปริมาณน้ําที่มันท่วมอยู่ในบ้านเรามากนักเนาะทีนี้เราไปเปรียบเทียบอีกปริมาณน้ําที่ท่วมอยู่ที่ทั่วทั่วบริเวณที่ได้ประสบปัญหาอุทกภัยเนี่ยนะไปเปรียบเทียบกับปริมาณน้ําที่อยู่ในแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําท่าจีนแล้วก็แม่น้ําบางประกงรวมกันนะเราเฉพาะว่าปริมาณน้ําที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพญาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำบางประกงจนกระทั่งไปถึงเหนือเขื่อนขึ้นไปทั้งหมดเนี่ยจะมีปริมาณมากกว่าน้ําที่ท่วมอยู่ตอนนี้เนาะเพราะว่า คือน้ำเนี่ยถ้ามันเราออาไปแผ่ใช่ไหมมันก็จะกินบริเวณกว้างอย่างน้ําที่ท่วมอยู่ตอนนี้แต่เพราะว่าแม่น้ํำท่าจีนแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันลึกทําให้ปริมาณน้ำนี่มันมากแล้วก็ยาวด้วยเราจะพบว่าปริมาณน้ําที่อยู่ในแม่น้ำสามสายเนี่ยจะมากกว่าน้ําที่มันท่วมอยู่ตรงนี้มากเพราะว่าน้ำมันล้นจากแม่น้ํามันก็เลยมาท่วมบ้านเราใช่ไหมทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบปริมาณน้ําที่อยู่ในแม่น้ำสามสายนะไปเปรียบเทียบกับอ่าวไทยปริมาณน้ําที่อยู่ในอ่าวไทยเนี่ย เอายังไม่ได้รวมส่วนที่มาเลเซียเขาคิดว่าบางส่วนของอ่าวไทยเป็นของเขาหรือว่ากัมพูชาจะคิดว่าบางส่วนของอ่าวไทยเป็นของเขา เ, าเราตัดส่วนนั้นออกไปก็ได้เอาเฉพาะที่ไม่มีเรื่องกับใครว่าอันนี้เป็นอ่าวไทยจริงๆเราจะพบว่าปริมาณน้ําในอ่าวไทยเนี่ยมากกว่าปริมาณน้ําในแม่น้ำสามสายนั้นมากนะักเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยแล้วก็ถ้าเรามาดูดดนะปริมาณน้ําในมหาสมุทรทั่วโลกนะทั้ง4ี่แอตแลนติกแอนตาร์กติกแปซิฟิกอินเดียนโอเชียนอะไรต่างต่างเนี่ยมารวมกันทั้งหมดเนี่ย มันจะมากกว่าปริมาณน้ำในอ่าวไทยมากจริงๆเนะทีนี้พระรูชาเคยเปรียบเทีย บ, บ, บอย่างนี้บอกว่าเอาผู้ที่ประสบปัญหาความทุกข์อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะถามว่าเอาเฉพาะเหตุการณ์น้ำท่วมปี2554อย่างเดียวนะมีท่านผู้ฟังคนหนึ่งเขาเขียนจดหมายมาเราให้อาตมาฟังว่าเขามีความทุกข์ขนาดที่เรียกว่าร้องไห้จนน้าตามันไม่ออกมาแล้วคุณเตนใจน้าตามันมันหมดไปเลยอ่ะนะก็ Lors, คงไม่ได้ ส, hitting, สักขันหนึ่งด้วยซ้ําปริมาณน้ําตาที่ออกมานะรวมทั้งน้ําหูน้ําตาน้ําอะไรรวมรวมกันหมดเนี่ยก็คงได้สักขันหนึ่งน้ําในขันหนึ่งเนี่ยนะมันก็ยังน้อยกว่าน้ําในคูหนึ่งในในคูถังใบหนึ่งอยู่ดีน้ําในคูถังก็ยังน้อยกว่าปริมาณน้าที่ท่วมอยู่ในบ้านเราปริมาณน้ําที่ท่วมอยู่ในบ้านเราก็ยังน้อยกว่าปริมาณน้าที่มันท่วมอยู่ข้างนอกทั้งหมดซึ่งยังน้อยกว่าปริมาณน้ําในแม่น้ําทั้งสามสายรวมกันแล้วก็ยังน้อยกว่าปริมาณน้ําในอ่าวไทยทั้งหมดยังน้อยกกวว่่าาาาปรมมณน้้ํททััหสงล พระเจ้าเคยถามพระสงฆ์อย่างนี้คุณเตือนใจบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราจะต้องเกิดมาอีกแล้วมาเจอปัญหาความทุกข์นะเช่นที่เกิดจากน้ําท่วมนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วเกิดมาชาติหนึ่งเอาเจอปัญหาเรื่องน้ําท่วมใช่ไหมเอาน้ำตามาน้ําตาสมมติคุณร้องไห้ใช่ไหมมีความทุกข์ใช่ไหมเอาน้ำตามารวมกันตายไปเกิดมาชาติที่2ชาติที่3ต่อไปเรื่อยเนี่ยบางชาติไม่เจอน้ําท่วมก็ไม่เอาแต่ถ้าชาติไหนเจอน้ําท่วมนะแล้วร้องไห้นะบางชาติเจอน้ําท่วมแล้วไม่ร้องไห้ก็ไม่เอาเอาช้อนน้ำตาเหล่านั้นมารวมรวมกันเนี่ แล้วนับไปหนึ่งกับนะปริมาณน้ําตาที่ไหลออกมาเนี่ยมารวมกันเนี่ยนะยังน้อยกว่าปริมาณน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ด้วยซ้ําอันนี้หมายความว่าถ้าเราจะต้องไปเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดเล่าเนี่ยนะจนกระทั่งมาเจอความทุกข์อย่างที่เราเจออยู่ทุกวันนี้นะจนกระทั่งน้ําตาที่ไหลออกมาเนี่ยโอ้โหมันมากกว่าที่นในมหาสมุทรทั้งสี่เนี่ยนะโอ้ยมันยิ่งมีความทุกข์มหาศาล เนีพ่พระพุาเปรียบเทียบกับผมใส่จะทนไม่ไหวเจ้าค oh ่ะโอ้โหมันมันยาวนานมากคุนเตืนใจอันนี้เป็นอุปมาอุปมาที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบยกตัวอย่างของหนึ่งกับเวลาหนึ่งกับนาฬิกไก่แม่นอากาศปอปลาเนี่ยหนึ่งกับหนึ่งกันเนี่ยหนึ่งกับเนี่ ย, ม, นน ย, ย, ยมันยาวนานเท่าไหร่เนาะแล้วพระพุทธาบอกว่าไอ้การเกิดของเรานี่นะมันเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดเล่าเป็นอเนกชาตินับชาติไม่ถ้วนเอาแค่นับไปแค่หนึ่งกับเนี่ยปริมาณน้ําตาที่ไหลออกมา จากตาเรานะเพราะว่าม like <te> <eye Hayır. S 2> ีความทุกข์เน <te> <subscribe> <te> ี่ย <sh> ท <arp> ี่เกิดขึ้นเนี่ยจากเหตุการณ์น้าท่วมแค่นี้เอามารวมกันนับย้อนหลังไปหนึ่งกับชาติที่เกิดเป็นคนเท่านั้นนับชาติที่ไม่เกิดเป็นคนไม่นับเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นสัตว์นรกไม่นับเกิดเป็นสัตว์เดชะไม่นับเราเฉพาชาติที่เกิดเป็นคนเอาน้ําตามารวมกันนับย้อนหลังไปเรื่อยย้อนหลังไปเรื่อยเจอชาติไหนมีเหตุการณ์แบบนี้เอาน้ําตามาเจอชาติไหนมีเหตุการณ์แบบนี้เอาน้ําตามารวมไป1กับเนี่ย น้ำตาที่ออกมาเนี่ยยังมากกว่าน้ําทะเลในมหาสมุทรทั้งสี่ด้วยซ้ำํำเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องมาเกิดอีกชาติต่อไปนะแล้วมาเจอปัญหาน้ําท่วมอีกแล้วร้องไห้เสียใจอีกนะโอ้โหมันจะมีความทุกข์มากเราไม่ได้ทุกมาชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นเราทุกมาหลายชาติแล้วแล้วเพราะฉะนั้นในความทุกตรงนี้เนี่ยเราควรจะต้องเห็นความลึกซึ้งของธรรมะไปเดยเฉพาะอาตมาเห็นน้ําอย่างเนี้ย ปริชาก็จะสอนมาเออให้เห็นนะว่าจํานวนชาติที่เราจะต้องมาเกิดอีกเนี่ยนับเท่าหยดน้ําหยดหนึ่งนะหยดน้ําหยดหนึ่งเท่ากับหนึ่งชาติหยดน้ําอีกหยดนึงเท่ากับหนชาติอย่างเงี้ยแล้วจํานวนชาติที่เราจะต้องไปเกิดอีกเนี่ยมาหยดที่เราหยดรวมๆกันเนี่ยยังมากกว่าน้ําทะเลในมาหาสมุทรทั้ง4เนี่ยโอ้ยมันจะต้องไปเกิดอีกนับพบนับชาติไม่ทวนคุณตัวใจ <ขอ S 1> ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะยิ่งควรจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้พ้นจากความทุกนี้ จากที่จะต้องไปเกิดแล้วเกิดอีกซึ่งตรงนี้ความทุกข์ที่เรามีเนี่ย เ, เวลาที่เราเจอภาษสะที่ไม่น่าพอใจเกิดความทุกข์ตรงนี้นะคุณเดนใจมันไม่ได้แปรผันไปตามระดับน้ำนะคือหมายความว่าคนที่บ้านน้ําท่วมเท่าไหลอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจะมีความทุกข์มากกว่าคนที่น้ําท่วมเท่าเอวนะหรือน้ําท่วมเท่าเอวจะมีความทุกข์มากกว่าคนที่น้ําท่วมเท่าหัวเขา่ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะ อ, อ, ยอย่างคนที่อยู่ในกรุงเทพชั้นในอย่างเงี้ยน้ำยังไม่ท่วมเลยด้วยซ้ํานะทํากําแพงกั้นอย่างดีอะไรอย่างดีฟังข่าวอยู่เนี่ยโอ้มันเป็นทุกข์ตื่นตีหนึ่งมาดูว่าน้ําจะขึ้นหรือ ย, ยงังตื่นตีหนึ่งคึ่งมาดูอีกทีว่าน้ําลงไปไหมเท่าไหร่มันมีความทุกข์มากกว่าคนที่เขาน้ําท่วมถึงชั้นสองอยู่ในน้ํามาเป็นเดือนๆดือนด้วยซ้ำเจ้าค่ะเออเพราะว่าอันนี้เป็นความจริงเจ้าค่ะเออเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แปรผันตามระดับน้ำไงความทุกข์ของเรามันไม่ได้จะแปรผันตามสิ่งภายนอก นะแต่ว่าบางคนเนี่ยจะมีความคิดว่าไอ้แต่ว่าน้ําท่วมฉันไม่ได้ทํานะมันมันคนอื่นทําอ่ะฉันไม่ได้เป็นคนทําอย่างถ้าสมมติเราไปรักใครสักคนใดคนหนึ่งใช่ไหมแล้วคนหนึ่งเขาไม่รักเราตอบอย่างเงี้ยก็รักเองช้าเอง น, นี่ยคือเราไปรักเขาเองเราก็ช้ำเองใช่ไหมแต่ว่าน้ําท่วมนี่เราไม่ได้ทำนะคนอื่นทําคนอื่นต้องรับผิดชอบทําไมฉันต้องมารับผิดต้องหาคนด่าต้องหาคนมารับผิดอย่างเงี้ยนะค่ะทําให้ทําให้เราเราพลาดไปตรงเนี้ยว่าจริงๆแล้ว ความทุกข์ตรงนี้มันไม่ได้เกิดจากภายนอกมันเกิดจากภ า, ายในดูอย่างนักเรียนที่เขาเลื่อนเปิดเทมอมมาคุณเดินใจเขาดีใจมากๆเลยนะน้ำท่วมอ่ะนักเรียน ท, <c oughs> ที่เขาเลื่อนเปิดเทมมอม ไ, <ป>ไปเรียนเออไม่ต้องไปเรียนหนังสือเลื่อนเปิดเทอมไปเดือนกว่าๆอย่างเงี้ยอย่างที่วัดป่าตอนไหนส่งเนี่ยเปิดเป็นศูนย์อพยพเอ่อเปิดเป็นศูนย์พักพิงสําหรับผู้ประสบปัญ ห, หาทุกภัยนะก็มีกลุ่มนักเรียนที่มาจากมาวิทยาลัยเอไอท่ะนะสาบันเอไอทีที่ปทุมธานีที่น้ําท่วมอยู่เนี่ยก็ยกขยงกันมา ก็พบว่าโอ้แต่ละคนมีความดีใจมากที่ไม่ต้องเรียนหนังสือหรือเปิดเทอมเดือนออกไปอีกเดือน <c oughs> กว่าๆอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่ ง, งที่เขามีความดีใจที่เกิดจากน้ําท่วมบางคนน้ําท่วมแล้วมีความสุขบางคนน้ําท่วมแล้วมีความทุกข์อ้าวถ้างั้นความสุขความทุกข์มันเกิดจากอะไรทําไมมันไม่ได้เกิดจากน้ําท่วมหรออย่างบางคนคุณเดินใจบ้านเขาอยู่หน้าเขื่อนอย่างเงี้ยอย่างที่กรทมเขาเอาเขื่อนดินหรือว่าเขื่อนกระสอบทรายใช่ไหมไปวางกันน้ําท่วมอะนะ แล้วประกบว่าบ้านเขอยู่หน้าเขื่อนเนี่ยคือน้ำเขาท่วมอยู่ระดับขา่าระดับเอวอย่างนี้เป็นต้นนะนะแล้วเขาก็มองข้ามไปฝั่งท้ายเขื่อนอา้ามันแห้งสนิทเลยเอ๊ะถ้าเราเปิดเขื่อนตรงนี้ออกเนี่ยหรือทําลายกระสอบทรายเนี่ยระดับน้ํำในบ้านเราหน้าจะลดลงใช่ไหมเขาอาจจะมีความคิดอย่างนี้เขาจึงเปิดเขื่อนออกทําลายเขื่อนตรงนั้นเพื่อให้น้ํามันไหลออกใช่ไหมในขณะที่น้ําไหลออกไปอยู่เนี่ยไหลออกไปอีกฝั่งหนึ่งที่มันแห้งอยู่นะ ระดับน้ําในบ้านของเขายังไม่ได้ลดลงเลยนะเพราะน้ำมันมีประมาณมากจริงๆแล้วมันก็ค่อยๆไหลออกไปตรงจากเขื่อนออกไปเนี่ยนะระดับน้ําไม่ได้ลดลงเลยนะแต่เขากลับมีความสุขมากขึ้นจากการที่เห็นน้ํามันเริ่มไหลๆออกแต่ระดับน้ํายังไม่ได้ลดแสด ง, งว่าระดับน้ําเท่าเดิมแต่ทําไมความทุกเราลดลงหรือคนที่อยู่ท้ายเขื่อนบ้านยังแห้งอยู่นะเห็นน้ําในต้นเขื่อนโอ้โหมากเหลือเกินบางทีสูงสเมตรน้ํายังไม่ท่วมเราเลย คนที่ไปดูหน้าเขื่อนเนี่ยคนที่ไปดูเขื่อนเนี่ยยังยิ่งจะมีความทุกข์กับคนมากกว่าคนที่ไม่เห็นด้วยซ้ำแต่นคนที่อยู่ท้ายๆเขื่อนไกลๆหน่อยเนี่ยเขาไม่ได้รับทราบข้อมูลนี้เขากลับไม่เป็นความทุกข์เนาะหรืออย่างสื่อมวลชนเนี่ยประโคมข่าวกันมากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยคนที่อยู่อีสานในที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับน้ําท่วมจากเหตุการณ์ปีสองพนรหสิบสี่นี้เลยนะเพราะน้ำมันไปคนละทางเนี่ยยังมีความทุกข์ไปเขาด้วยเพราะว่าการได้รับเครียดไปด้วยะจะเครียดไปด้วย เพราะว่าการที่เราได้รับข่าวสารนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นถามว่าความทุกข์เนี่ยมันมาจากอะไรนะคือความทุกข์เ네นี่ยมาจากการที่เราก็าไปยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะยิ่งยึดมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งมีความทุกข์มากเท่านั้นความทุกข์เนี่ยไม่ได้แปรผันกับสิ่งภายนอกไม่ได้แปรผันไปตามระดับน้ำนะแต่ถ้าเรามีความอดทนน้อยความทุกข์เราจะมากถ้าเรามีความอดทนมากความทุกข์เราจะน้อยความอดทนเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่สําคัญในการที่จะทำให้เราได้รับ สุขหรือทุกข์มากหรือน้อยแล้วไอ้ความอดทนตรงนี้นะคุณเตนใจมันเปลี่ยนแปลงไปได้ตามตามโอกาสอย่างสมมุติว่ า, าบ้านเราเนี่ยทำคันกั้นน้ําท่วมไว้ที่มท 150, เมตรห้าสิบะดับไหลอย่างนี้เป็นต้นเมตรห้นะปรากฏว่าน้ําตอนที่น้ํามันมาถึงหน้าบ้านเราเนี่ยยังไม่ท่วมนะมันขึ้นมาประมาณ1เมตรเนี่ยเราสบายใจละไม่มีทางท่วมพอมันขึ้นมาเมตรยีเริ่มเครียดมากขึ้นฮิฉันจะทําไงดีมันเริ่มจะ เกินละพอเม็ด40ยิ่งเครียดมากขึ้นแต่พอเม็ด50มันล้นเขื่อนพังเขื่อนหน้าบ้านเราพังแล้วเนี่ยปล่อยวางหมดทุกอย่างเลยนะอดทนทนไม่ได้ละเลยต้องปล่อยวางจริงจริงถึงระดับนั้นเนี่ยความอดทนกับความปล่อยวางเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําให้เกิดขึ้นถ้ายิ่งเราอดทนได้มากนะความทุกข์ของเราจะน้อยถ้าเราปล่อยวางไปได้เลยเราจะยิงยิ่งไม่ทุกข์เลย แล้วระดับความอดทนตรงนี้อาจมาจึงต้องบอกว่าตรงนี้จะเป็นโอกาสอย่างดีที่เราจะต้องฝึกความอดทนคือในเมื่อเราเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจเนี่ยคือสัมผัสที่เกิดจากตาคูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะหอย่างเนี่ยปริชาบอกว่าบุคคลในบุคคลหนึ่งคุณใจถ้าผมว่าเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจนะแล้วอดทนได้ถ้าคุณอดทนได้นะคุณจะเป็นผู้ที่ง่ายต่อการเข้าสู่สัมมาสมาธิง่ายต่อการเข้าสู่สัมมาสมาธิ หมายถึงว่าจิตของเราเนี่ยจะไม่ไหลไปตามสิ่งต่างๆมากคืออย่างสมมุติน้ํามันท่วมเนี่ยใจเราก็เรียกว่าไม่ไหลไปตามน้ําก็เรียกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคือจิตของเราเนี่ย<ช>มั่นคงอยู่ได้นะคือคนที่อดทนแล้วความอดทนเนี่ยนะคุณเตือนใจยิ่งจะเป็นความงดงามของบุคคลที่อยู่ในคําสอนของพระเจ้าอยู่ในธรรมะวินัยนี้เพราะว่าความอดทนเนี่ยจะทำให้เราสงบเสงเอมเป็นวุ้งงดงามอยู่ นะถ้าเราจะชนะเหตุการณ์นี้เราก็ต้องชนะอย่างงดงามด้วยความอดทนแล้วไอ้ความทุกข์ที่เราเกิดมีขึ้นเนี่ยถ้าเราอดทนได้จิตเราเป็นสมาธินะจะทําให้เราเห็นตามที่เป็นจริงได้ปล่อยวางได้สบายใจอยู่ได้แล้วถ้า <Okay. S 1> เผื่อว่าอดทนแล้วเนี่ยนอกจากจะทําให้จิตเป็นสมาธิเราสบายใจแล้วเนี่ยนะทําให้เราง่ายต่อการเข้าสู่สม า, สมาธิแล้วเนี่ยการตัดสินใจอะไรต่างๆของเราจะไม่ผิดพลาด การคิดวิเคราะห์ต่างๆจะเป็นไปด้วยดีการเอาหาทางหนีที่ไล่คนรอบข้างก็จะมีความสุขไม่ด่ากันไม่ว่ากันอย่างนี้เนาะแล้วก็ <Okay. S 1> ระดับน้ําต่างๆสิ่งภายนอกไม่ได้แปรผันตามความสุขหรือทุกข์ที่เรามีเลยการปล่อยวางต่างหากไม่ต้องยึดถือสิ่งใดอย่างบางคนเรื่องกระสอบทรายอย่างนี้อย่างที่เราเคยพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะว่ากระสอบทรายที่อยู่หน้าบ้านคนอื่นเนี่ยฉันไม่สน ต้องเอาอยู่หน้าบ้านชั้นอย่างเดียวถ้ากระสอบทรายหน้าบ้านชั้นพังนะชันจะเป็นทุกข์ถ้ากระสอบทรายหน้าบ้านคนอื่นพังเออดีไม่ทุกข์หรอกเพราะว่ามันน้ำมันเข้าบ้านเขาไป <c oughs> บ้านชั้นจะเด่นลดลงนะมันกลับกลายเป็น <c oughs> อย่างนี้ทั้งๆที่กระสอบทรายก็กระสอบทรายเหมือนกันมีทรายปริมาตณเท่ากันทําจากบริษัทเดียวกันมีคุณภาพเหมือนกันแต่ทำไมอยู่หน้าบ้านเขาเราไม่เป็นความทุกข์แต่อยู่หน้าบ้านเรามันกลายเป็นความทุกข์ของเราเพราะว่าเรายึดถือในสิ่งนั้นนั่นเองจุ๊ค่ะ <c oughs> อย่างคน <Okay. S 1> ที่อยู่ในบริเวณที่เกิดอุทกภัยเนี่ยถ้าเราตัดสินใจว่าจะอยู่คุณก็ต้องยอมรับกับเหตุการณ์ว่าคุณจะต้องอดทนนะถ้าคุณอดทนไม่ไหวแล้วนะก็ต้องก็ต้องหนีนะถ้าใครเคยอ่านวรรณกรรมเรื่อง3ก๊กกับคุณเดินใจหลายๆท่านเคยอ่านแล้วก็มาวิเคราะห์ให้อาดมาฟังนะเขาบอกว่ากลยุทธ์ที่ดีใน3 <Okay. S 1> ก๊กนี่นะคือการหนี แล้วก็สุดยอดคําสองของพุทธเจ <ไป S 1> ้าเนี่ยหนีไปตั้งหลักหนีไปตั้งหลักหนีในการที่จะไม่ต้องสู้ <S 2> <S 2> ไม่ต้องให้เปลืองทรัพยากรน ะ, นะพอพอหนีไปแ ล, แล้วเนี่ยก็จะสบายเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดนืส่วนคําสอนที่สุดยอดสําคัญของคําสอนของพพุทธเจ้าเนี่ยคือการให้ปล่อยวางเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะต้องบอกว่าต้องหนีต้องหนีด้วยแล้วก็ปล่อยวางด้วยเพราะฉะนั้นก็ถ้าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ไหนๆอดทนนี่แหละเป็นสิ่งที่ดี จะทำให้เราผ่านพ้นสถาน ก, การ์ไปได้เจ้าค่ะสิ่งที่พระอาจารย์ไภบุญอภิปุโนได้เมตตาที่จะสากรชาหรือว่าชี้แจงแสดงเหตุผลมานะเจ้าค่ะตั้งแต่เริ่มต้นรายการของเราในเช้าวันนี้ยมพอจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะว่ามนุษย์เราเนี่พระพุทธองค์ก็ได้ทรงสั่งสอนและก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าเราเนี่เกิดมา เพื่อที่แบบหลายกับหลายกันนะเจ้าคะที่ว่าจะต้องอยู่ในวัฏสงสารหรือว่าอยู่ในองจักของชีวิตพวกนี้เจ้าคะ่ะใช่ใชถ้าเผื่อเราสามารถหาความสงบแล้วก็สามารถทำสมมาสมาธิคืออยู่ที่จิตใจของเราให้เรามีความอดทนอดกลัน้นเราก็จะสามารถเป็นสุขอยู่ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องถูกต้องในขณะเดียวกันถ้าเผื่อเรา มีสมาสมาธิเช่นนั้นมีสติแล้วก็สามารถที่จะคิดพิจารณาด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นจากสติที่เรามีสมาธินะเจ้าคะก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงพระธรรมคำสอนอันสูงสุดที่พุทธองค์ได้ทรงเมตตาเผยแผ่แล้วก็สั่งสอนไว้นั่นก็คือการปฏิบัติธรรมละวางทุกอย่างแล้วก็จะไปถึงนิพพานซึ่งก็คือจะทาให้เราพ้นจาก การเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายเป็นหลายกับหลายกันใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ถูกต้องถูกต้องค่ะมีมีท่านที่มาอพยพมาอยู่ที่วัดป่าตอนไหนโศกนะเขาเล่าให้อัตมาฟังคือบ้านเขาเนี่ยเป็นเป็นบ้านที่มีบริเวณมีตัวบ้านแล้วก็มีบริเวณบ้านอยู่รอบๆนะเขาก็ทําการป้องกันบ้านของเขาด้วยการเอาการะสอบทรายมาตั้งก่ออิดอย่างดีทั้งด้านหน้าด้านหลังตรงรอบข้างทั้งหมดนี่ก็มีรัว้วป้องกันอยู่แล้วก็เป็นบ้านเพื่อนบ้านข้างๆแนละ้วแล้วก็มีกําแพงกัน้น ปรากฏว่าเขาทําอย่างดีเลยกั้นข้างหน้ากั้นข้างหลังน้ําท่วมขึ้นมาไม่มีปัญหาแต่ปรากฏว่าคันกั้นของเพื่อนบ้านเนี่ยพังเบรนบ้านข้างๆนะพังเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ําก็เข้ามาท่วมในบ้านเขาปรากฏว่า้ตรงกําแพงระหว่างบ้านเนี่ยเขาไม่ได้ป้องกันเอาไว้มันเป็นกําแพงเนาะใครจะไปรู้ว่ามันน้ํามันจะซึมไหลใต้กําแพงก็มาท่วมบ้านตัวเองเขาพยายามป้องกันทุกอย่างเนี่ยก็ป้องกันไม่ได้สุดท้ายต้องทําไงปล่อยวาง ของฉันก็เก็บขึ้นเท่าที่เก็บได้ก็สุดท้ายก็ต้องปล่อยให้มันท่วมไปปล่อยวางหนีมาอยู่ศูนย์อพยพก็สุดท้ายคือต้องปล่อยวางคุณอนใจถึงเวลาที่เราจะ <Okay. S 1> ตายนะเราจะตายแล้วเนี่ยนะหายใจพังงบพั ง, งาบอยู่นอนอยู่บนเตียงหมอก็ยืนร้อมรอบพยาบาลก็ยืนร้อมรอบญาติลูกพี่น้องอะไรต่างๆยืนร้อมรอบไม่มีใครช่วยเราได้เลยเมีทหารคุ้มกันอย่างดีตำรวจคุ้มกันอย่างดีพังงบพังงา บ, งงา บ, งงาบอยู่จะตายแล้วเนี่ยนะ เราเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเดียวสักอย่างเดียวจอคานอกจากบุญกุศลที่เราทำเพราะฉะนั้นในเหตุการ์อย่างเนี้ยแทนที่เราจะหาบาปใส่ตัวนะโดยการที่โทษคนนู้นโทษคนนี้ด่าคนนั้นเพื่อนบ้านทำไมแกทำอย่างนี้ด่าเข้าไปอย่างเงี้ยนี่คือหาบาปใส่ตัวเราควรจะต้องหาบุญใส่ตัวนะโดยการที่ถ้าเราจะด่าเขา เ, ออเราเลิกเราจะดีเขาเราจะตีเขาเราจะทาพูดไม่ดีกับเขาเราไม่ทา อย่างเี้ยจะเกิดบุญขึ้นทันทีนะเราจะขโมยของเราไม่ทำเราจะเกิดบุญขึ้นในจิตทันทีนะจิตที่เป็นอย่างนี้แหละเราสร้างบุญเนี้ยนี้จิตเนี้ยเราจะเอาไปได้เจ้าค่ะก็เรียกว่าผลบุญหรือสิ่งที่เราคิดดีทำดีนะเจ้าคะก็จะสามารถเป็นสิ่งเดียวที่จะติดตามดวงวิญญาณของเราไปได้เมื่อเราจากโลกนี้ไปใช่ไหมเจ้าคะใช่โยมอยากจะข อ, อะ นำ้ำมัสการแล้วก็กราบปรียนถามพระอาจารย์ไพบุญอภิพุโนโเพิ่มเติมในตอนท้ายของรายการนะโจค่ะยมอยากจ ะ, อะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบุญได้เมตตาที่จะกล่าวถึงบุคคลที่ยมคิดว่าในภาวะทีะ่พี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นเรือนล้านเรือนแสนเนี่ยกำลังประจนอุทกภัยนั้นเนี่ยยมอยากจะขอยกย่องบรรดา ทหารทุกเหล่าทัพนะเจ้าคะตำรวจแล้วก็รวมทั้งคณะรัฐบาลและที่น่าชื่นชมก็คือพวกอาสาสมัครที่มาทำด้วยจิตกุศลจริงๆเจ้าค่ะที่จะมาช่วยการอาไปบรรเทาทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบุ์ได้สากรชาถึงประเด็นนี้ว่าผู้ที่ทำแบบนี้เจ้าค่ะเข้าเหนื่อยเข้าหนักนะเจ้าค่ะแต่เห็นทุกคนนี้จะบอกเลยว่า มีความสุขมากแล้วก็ได้ที่ได้ทําแบบนี้เจ้าค่ะอันนี้มันเกิดขึ้นจากผลบุญของความคิดดีทดําดีใช่ไหมเจ้าคะก็คือเมื่อใครได้รับความทุกข์อยู่เนี่ยเรามีความการุณาในการช่วยเขาคือเป็นหนึ่งในคุณธรรมของผู้ที่เป็นผู้ใหญ่คนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยมีความเป็นก็เรียกว่าอย่างผู้ใหญ่ในรัฐบาลผู้ใหญ่ในกระทรวงตะบวงกรมเป็นข้าราชการระดับสูงเนี่ยนะคุณต้องมีหนึ่งใน4คุณธรรมนี้ของความเป็นผู้ใหญ่นละหนึ่งในนั้นคือความการุณา ความเมตตาคืออันที่1ความอันที่2คือกรุณากรุณาเนี่ยคือถ้าคนอื่นเขามีความทุกข์อยู่เนี่ยเราเรามีความปรารถนาในการที่จะไปช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์นะคุณธรรมตรงนี้ทำให้จิตเราสูงขึ้นทําให้จิตเราเป็นผู้ใหญ่ทําให้จิตเราเป็นเป็นใหญ่เป็นเป็นคนดีขึ้นมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นในการที่เราไปช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําโดยหน้าที่หรือทําโดยอาสาสมัครมีจิตอาสาไปทำเนี่ยตรงนี้แหละเป็นคุณธรรมของความเป็นผู้ใหญ่นะคุณจะได้รับสุขณนะปัจจุบัน ไอ้พรหมิหารสีตรงนี้เนี่ยนะผู้รู้เจ้าเคยบอกว่าเป็นธรรมที่ไม่มีทางผิดนะสมมุติเรามีเป็นคนมีศีลกับเป็นคนมีเมตตากรุณาเนี่ยส อ, อย่างนี้รวมกันเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คําว่าเป็นอัปปนากะธรรมอยู่ที่ไหนก็ไม่ผิดไม่ว่าคุณจะนับถือาศาสนาอะไรนะพุทธคริสต์อิสลามหรือาศาสนาใดก็แล้วแต่เถอะถ้าคุณมีเมตตาคุณมีศีลนะไม่มีทางผิดเข้าสู่สังคมไหนไม่มีทางผิดว่าอุทกภัยหรือไม่อุทกภัยไฟไหม้เหรอถ้าคุณทําอย่างนี้มีศีลมีเมตตาไม่มีทางผิด แล้วพอเรามีจิตอย่างนี้เนี่ยเป็นจิตที่สูงเป็นใหญ่เนี่ยเราจะได้อั น, นิสงค์คือความสุขนะเดี๋วนั้นแล้วในกรณีถัดไปเนี่ยนะถ้าเรามีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีคนที่เขามีจิตที่เป็นอย่างนี้มาช่วยเหลือเราเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุญของผลของกรรมด้วยนะเจ้าค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายกย่องอย่างยิ่งนะเจ้าค่ะสำหรับบรรดาอาสาสมัครต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดา ทหารที่อุทิศตนออกมานะเจ้าค ะ, ะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หมดประจำการแล้วแต่ยังยินดีสมัครที่จ ะ, ะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มใจยิ่งอันนี้เนี่ยโยมอยากจะขอฝากท้าย1 น, นาทีก่อนหมดเวลาในรายการธรรมาราปุรุนเช้าวันนี้ขอกลับความเมตตาพระอาจารย์เทวุณพิพุนโน ได้อำนวยพรให้บุคคลเหล่านี้เจ้าค่ะที่ได้ทําความดีให้กับเพื่อนร่วมชาติเจ้าค่ะนิมมติ้ค่ะเรื่องของบุญกุศลที่บุคคลเหล่านี้จะได้รับเนี่ยคือเขาทำเนี่ยเขาได้รับอยู่แล้วเลยนะเป็นจิตที่เป็นกุศลจิตเป็นที่เป็นใหญ่นะอาตมาจะให้พรหรือไม่ให้พรเนี่ยยังไงเขาก็ต้องได้รับบุญกุศลตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาตมาจะต้องยืนยันย้ําอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าได้ยืนยันย้าเอาไว้แล้วว่าคุณทําความดีคุณต้องได้รับผลของกรรมดี ให้ทําต่อไปเราต้องช่วยเหลือกันตอนนี้ต้องมีความสามัคคีไม่ด่ากันไม่ว่ากันนะมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาช่วยเหลือกันไปได้เราจะรอดพ้นจากวิกฤตการณ์นี้ไปได้เจ้าค่ะนี่ก็คือการที่เราเอาธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรับหรือว่ามามีมุมมองอให้เราหนุดพ้นจากความทุกข์ แม้ว่าร่างกายหรือว่าความเป็นอยู่ของเราจะเปลี่ยนแปลงไปลําบากขึ้นเพราะอุทุภัยหลายท่านจะต้องอเรียกว่าพลัดที่นาคาที่เร้นก็คือต้องอบยบไปอยู่ณนศะูนย์อุปยพต่างๆหลายท่านมีความลําบากมากในชีวิตประจําวันที่จะไปทํางานทําการหรือว่ากินอยู่อะไรต่างๆนั้นเนี่ยพระอาจารย์ไพบุญอภิญปุโนลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่โตภโสหรือท่านพระคุณสิทธิปัฏฐากอน ทานเจ้าอาวาสวัดป่า ด, ดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจงังหวัดอุดรธานีก็ได้เมีตามาสาธกษาหรือสนทนาธรรมะในเช้าวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนนี้ก็หวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังรายการทุกท่านก็คงจะได้เห็นธรรมะตรงนี้นะคะ <Okay. S 1> สําหรับรลายท่านที่เผชิญกับทุกขภยอยู่ในขณะนี้ก็คงจ ะ, ะมีความสุขขึ้นแล้วก็รู้วิธีที่จะวางจิตใจเราอย่างไรให้พ้นทุกข์ หรือว่ามองเห็นกองทุกตรงนี้เนี่ยทำให้เรามีความสงบแล้วก็เป็นสุขอยู่ได้แม้ว่าเราจะลำบากในขณะเดียวกันหลายๆท่านที่ไม่ได้อยู่ในเขตของอุทกภัยก็คงจะได้รับธรรมะดีๆจากการสากรชาของพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนไปด้วยนะคะค่ะท่าฟังถ้าเวลาในรายการธรรมะรับป ร, รุณจากสถานีวิทยุระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวนันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะ เราจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนค่ะก็ยังจะมาสักษาเพราะว่าทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะพบกันเป็นประจำนะคะพรุ่งนี้จะกลับนมัสการพระอาจารย์ไพบูลมาสนทนาธรรมไม้ดีๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นแง่คิดกันอีกค่ะก็สำหรับเช้าวันนี้เรามากลับขอบพระคุณแล้วก็กลับนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกลับนมัสการและกลาบขอบพระคุณเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเริ่องาน สาธุเจ้าค่ะ